ก็ฟังทงันเป็นเติมมน ะ, นะสิ่งที่รู้อยู่แล้วนะก็จะได้รู้อชัดเจนละเอียดขึ้นสิ่งที่ยังไม่รู้นะก็จะได้รู้เปได้เข้ใจสิ่งที่สงสัยก็จะได้ได้คําตอบหรือว่าได้แนวทางในการไปทำต่อนะ ฟังท่านก็มีอานิสองส์นะถ้าฟังด้ีนะก็เกิดปัญญาได้นะแต่ไม่ใช่การฟังไปคิดไปนะฟังนะแล้วก็ดูค้ายๆดูดูตัวเองนะไอ้ที่พูดนะมันมีในตัวเรายนะมบางทีเรารูเ่ามันมีนะทิ่พัดพูดนะมันมีแต่มันดูเป็นเรื่องของคนอื่นในวันเลยนะ ไม่ใช่เรื่องของเรานะมันก็ไม่ได้เป็นยาแต่ดูจีิๆฟันงนีิงๆเขาเราก็เป็นแบบนั้นแหละเราจะ ไ, ได้เป็นยาทุกๆอย่างนะถ้าเราดิจิทัมามันก็จะน้องเข้ามาเนตัวเ น, น, นะฮะนะสักคู่ก็แจงทุ่มนำพวกเราสวด น, นะตอนนจัก็เพราะว่จนัสูตรสูตรแรก พระสูตรก็คือคำ ส, ำสอนเราก็จะเจ้ามาเป็นบทแรกสิ่งที่ท่านขึ้นต้นในการสอนนะท่านสอนสิ่งที่มันคิดก่อนท่านย้ำว่าอะไรมันคิดเพราะว่าสมัยนู่ น, นที่จริงนวมทั้งสมัยนี้แยละคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดมันมีวิธีการ หลายวิธีมันมีครูบาอาจารย์หลายครูบาอาจารย์สมัยก่อนหรือสมัยนี้ด้วยในโชคดีกันนะสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์แต่คนนั้นนะครับชัดเจนในแนวทางของตัวเองเขาสอนแบบนี้นะเขาเชื่อแบบนี้นะชัดเจนไม่พนแต่สมัยนี้นะบางทียากเป็นพระหรือบอกว่าะ พุทธศาสนาแต่สอนเนะี่ยไม่รู้ถูกเป็นแบบแนวทางพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในรูปแบบผู้สอนนะนุ่งเรื่มผมเรื่มโคนหัวอยู่ที่วัดนะอ้างว่าอันนี้นะคือคือธรรมะนะของพระพุทธเจ้านะคือความจริงแต่ไม่รู้ว่านะ มันจริงแค่เพียงไรนั้นผู้เรียนบางคนก็งงงงอะไรถูกอะไรผิดนะวิธีการแบบไหนที่ีิมันก็มีวิธีทดสอบนะก็อย่างที่พระอาจารย์ท่านสอนในตอนแรกเลยดูว่าถ้ามันสิ่งที่ผิดก็คือมันสุดโต่ไปสองด้านด้านหนึ่งอะไรก็คือว่านะมันทาให้เราติดความสุขติดความสบายติดความพอใจ คนคิดว่าความสุขนะสุขแบบเสรอยากก็สุขสุขทางก็สุขสุขทางกายธาตมันก็เป็นความสุขที่ที่เราก็มีได้นะแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใ ช, มมใช่มันไม่ใช่สุขที่เพี้ยงแย่ให้ตนอดนะอันนี้สิของ ค, คนเปิดเข้าใจแล้วก็ไปแสดงหาเป็ น, นะนความสุขทางโลกซนะึ่งที่จริงมันไม่สามารถที่จะทําให้มันสุขได้ตลอด มันมีเหตุมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นความทุกขนะ์ที่จริงที่เราเรียกว่ามันสุขที่จริงมันทุกข์น้อย <c oughs> มันเลยเรียกว่าสุขเนะมัอนร่างกายของเราตอนนี้นะออยังแข็งแรงพอสมควรมาปฏิบัติธรรมตรง น, นี้ได้นะเราก็เรียกว่ามันก็สุขนะสุกกายะกินะ อ, อิ่มก็สุกกายนอนอิ่มก็สุกกาย แต่ที่จริงความสุขทางกายมาันแสดงความจริงให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนเร็วเรานั่งนะไม่ตื่ขึ้นชั่วโมงก็ก็ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บเนี่ยคือความจริงที่จริงถ้าจะเอ็ยดขึ้นหายใจนะออกแล้วมันไม่ยอมหายใจเข้ามันหยุดอยู่ยนั่นทะิ้งมันเรากั้งลมหายใจนะมันก็ทูกขนะ์ หรือเราบังคับสัหน่อยนะไม่ให้มันกระพิบตาเนี่ยมันต้องเมื่อย น, นะธรรมชาติมันกระพิบตานาทีละหลายครั้งเราต้บังคับมันไม่ได้ไงานมันมันกะคิดเพราะว่ามันไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดินได้อมันหายใจเข้าหายใจออกเพราะมันไม่สามารถจะหายใจเข้าอย่างเดียนได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหายใจออก แต่ว่าเหานั้นมันนิ่งขนาดไหนมันต้องนิ่งแบบมันต้องขยับขยี้ร่างกายนะเพราะว่ามันเป็นทุกข์นะนั้นร่างกายจริงๆมันโอเบตยา จ, จะบอกว่ามันเป็นรังของความทุกข์นะเป็นรังของความทุกข์ที่มันมีความทุกข์แต่อยู่ในนั้นน่ะทุกข์อ น, นุเพราะว่าได้เซลล์วันหนึ่งก็ตายเท่าไหรมองไม่เห็นนะ ฟังจากวิยทยาศาสตร์วันหลายล้างเรลวนะตัต้งใหม่ขึ้นมาก็าแทนเซลวที่ตายไปคนทุกกายนะยิ่งแก่มากๆไม่สบายมากๆนะยิ่งเห็นชัดเห็นชัดอย่างไปเยี่ยนผู้ป่วยนะเจอเคสที่ป่วยหนักๆหลายเคสมาก ที่น่าสงสารไหนก็เทแ่ะเกิดมาก็เป็นเลยการเนื้ออ่อนแรงนะสมองที่การนั่นใจเด่นนะควบคุมไม่ได้หรือบางคนก็โตขึ้นมาก็เป็นโรคแบบคล้ายการเนื้ออ่อนแรงจะหายใจก็ยังลาบากนะจะจะยกจะอะไรจากตับอะไรต้นไหไม่ไม่ีมมเรี่ยวแรงมันก็เห็นเนี่ยที่บอกมันบังคับไว้ไม่ได้ยมันชัดนะ มันขับคุจชาไม่ได้สั่งไม่ได้นะเอแต่ให้ทำเองก็ไม่ได้บางคนหายใจเองก็ไม่ได้มันสั่งไม่ได้พอเป็นาล่างมันมันโดยภายนอกมันแสดงให้เห็นว่ามันมันสั่งไม่ได้มันไม่เป็นสั่งใจกับต้องการแต่ที่จริงที่ว่าเราตั่งมันได้นะให้เดินยืนนั่งนอนให้กินให้อะไรต่างๆที่จริงมันก็เป็นแค่เรา เราสั่งเขาได้เพียงแค่ข้างนอกหรือว่าตัดจัากยาแต่ลึกๆจริงๆแล้วนะหัวใจมันก็เต้นของมันเองกระเพาะอาหารมันก็ย่อยอาหารของมันเองตับไตปอดม้ามันก็ทํางานของมันเองนะเราตั่งมันไม่ได้เลยหมอเองก็ยังตัดไม่ได้นะเขาไปแก้ไขอะไรบางส่วนได้นิดหน่อยอีก แต่ต่างไม่ได้อันนี้คือโดยลึกๆแล้วธรรมชาตินะเป็นแบบนั้นคล้ายๆเหมือนเรามีลูกน้องอะไรแบอกเขาเป็นลูกน้องแต่เราต่างที่เขาทำอะไรไดทถ้ากดจริงหรือเปลนต่างได้ในบางเงื่อนไขใช่ไหมเขาก็ทําให้เราได้ในบางเงื่อนไขแต่ลึกๆแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเององนั้นแหละะ มันมีอยู่ในเงื่อนไขที่เราบอกเ้าที่ทําได้มันก็เป็นนะที่จริงร่างกายเรานะที่เราว่ามันเป็นร่างกายที่จริงมันก็เป็นของเราแต่มันก็มันก็เกี่ยวข้องได้แบบสั่งได้แบบแค่บางขณะบางอย่างเท่านั้นแหละแต่ที่เหลือมันเป็นของมันเองอเป็นของมันเองนี่นคือร่างกายนะเราไม่ได้แสดงทางความสุขทางกาย แต่เราก็ไม่ด้ทำกายให้ลำบากมันต่างกันบางคนคำว่าเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยบางทีเป็นคนเปอร์เรื่องสุขสุขทางกายก็ดีหรือสุขทางใจด้วยสมาธิด้วยความสงบแบบคลื้ๆก็ดีมันก็มีหลายระดัิที่เขาสอนกันแบบนี้แหละนะความเชื่อที่สอนให้เติดสุข ทางกายเยอะๆหรือเส็จสุกทางใจเยอะๆนะมันจะได้มีความสุขชัว่วที่รันประมาณ น, นี้อันนี้คือแนวทางอย่างที่สุดโต๊ะพระเจ้าทันทีว่าถ้าถุกโต๊ะแบบแค่เสร็จสุกทางกายเนี่ยท่านพูดชัดเลยนะเป็นของตัำตาเป็นของชาวบ้านเป็นของตัวตนน เป็นของคนที่ไม่ได้ต่างกสัตวทั่วไปก็ก็มีเหมือนกันนะกินดื่มครับทายนะมันก็มีเหมือนกันมันเป็นความสุขทางโลกที่ไม่ต่างกักสัตว์ทั้งหลายความสุขทางใจละเอียดขึ้นด้วยสมาธิที่สมาธิขั้นสูงยิ่งสุขมากแต่สุขมากก็ติดมากเหมือนกันนะ ขนาดตุกทางกายเอาอง่ายๆเนาะเหมือนเราสบายเ็นเพลียตัวเนี่ยแต่ให้ยั้งออกจากความสบายมันต้อไม่อยากออกนะแต่ข้านอกอยู่ในห้องแอร์เ น, นีเ่ยเย็นสบายดีข้างในเย็นไม่อยากออกมาข้างนอกของเราเนี่ยสมาธิยิ่งสงบสบายกว่ากว่าห้องแอร์เพราะมันรู้สึกสงบยิ่ง ส บ, บายถึงที่สุดนะข้างนอกเนี่วุ่นวายนิด ห, หน่อยก็รู้สึกมันวุ่นวายแล้วนะมันถ้าใครถ้าใครเคยมีที่ฐิเป็นสมาธินะมันก็จะรู้สึกผอใจวันนี้จะเดินนะเราได้สมาธิชอบใจนะวันพวกนี้ก็อยากได้อีกนั่งขง้างหลังก็อยากได้แบบนี้อีกนะมันเป็นความติดใจ ถ้าไม่ได้ก็ว่าตัเองไม่ดีถ้าได้ก็ว่าดีนะมันตายเป็นความนะมันมีได้ก็มีดีแยนะได้กับไม่ได้นะมีชอบกับไม่ชอบนี่คือสมาธิมันสอนให้คน ต, ติดใจในรสชาติของมันนะมันเป็นอ่านะเรกว่ามันก็เลยไม่ใช่สุขที่แท้จริงนะพระเจ้าท่านบอกตองนี้ แต่คนก็คิดว่าทําไปเรื่อยๆมันจะถาวรตัวนี้นะมันจะชั่วที่สันตัวนี้แต่ที่สมาธิหลงเตี้ยนะท่านเตี้ยเทียนะท่านบอกมันสบน้ำแข็งน้ำแข็งออกมาตั้งอยู่ข้างนอกมันอยู่ได้ไม่นานหรอกนะวันหนึ่งหรือว่าไม่ถึงวันมันก็ละลายกลายเป็นน้ำธรรมดาสมาธิที่เกิดจากการทําสมาธิแบบสมาทานนะ มันต้องเหมือนตับน้ําแข็นะงแต่ทาเก่งขนาดไหนมันก็ละลายกลายเป็นน้ำเหมือนเดิมเราจะเข้าสมาธิลึกขนาดไหนมันต้องออกมาเหมือนเดิมนะอันนี้คือเกีเ่ยวเทียนง่ายเกินนะเพระนั้นมันไม่ใช่ทางแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าอนะมีไม่ได้ความสุขทางกายความสุขทางโลกโลก็มีได้ ความสุขทางใจที่เกิดจากสมาธิก็มีได้แต่ประเด็นคือมีแบบไม่ติดมันมีแบบรู้นะสุกกายก็รู้สุกใจก็รู้นะอนะไม่ใช่ปฏิเสธนะเพราะมีพวกหนึ่งปฏิเสธบอกว่าความสุขไม่ใช่ของเที่ยงนั้นปฏิเสธก็อเอาทุกขนะ์ต้องแบบ ทำที่มันทุกข์เข็ดๆ เ, เลยมันจะได้ดค้นทุกข์นะก็เลยมีพวกสุดโตง่งแบบหนึ่งไปทั่วทา ก, กายให้ลำบากทําใจให้ลำบากคุณเจ้าก็เคยสุดโต่งแบบแรกนะทำสมาธิสุดๆแล้วสมาสุดโต่งอีกแบบหนึ่งทรมานกายอให้สุดๆเนะพราะคิดว่าถ้าทรมาน ก, กายให้สุดๆใจจะค้นจากความทุกนขะ์ กา้นลมหายใจไม่ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเก็บทิศท้ใายเหมือนเรากั้นลมหายใจตอนอยู่ในน้ำนะมันกั้นไว้อยู่นั้นนะแต่ลมหายใจมันก็ทะลุกออกทางผิวนั้นจับดวงตาจากหูอะไรก็ได้แต่ออกทางอื่นที่ไม่ทางปากแล้วก็ทางจมูกมันก็ไม่ตายด้วยซีหรือว่าอดอาหาร น, น, นอนหนานนอนตะปูอะไรก็ทําสุดๆนะ ทำเพราะว่าคิดว่าทรมาณกายที่สุดจิตมันจะพ้นออกไปคงไม่รู้เหมือนอาจจะคิดว่าเหมือ น, นที่ใช้เราเผาเราเราเผาดังอะไรสักอย่างอย่านี้เลยแอบตัวที่มันอยู่ในรังมันจะได้ออกมาคมคิดว่านะจิตใจอยู่ในรังที่เป็นร่างกายนะไปทรมานไปเขย่าย ต่างที่มันสั่นกระเทือนให่มันทุกข์ข้างในมันไม่ได้ออกมาไม่ได้พ้นธรไมะแต่ตาใจที่มันยังไม่ตายนะมันก็ยังอยู่นั่นแหละมันยังหงแหงอยู่จิตใจนะมันยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นของเรามันผูกพันกับร่างกายนี้มันอยู่ด้วยกันนะมันเกาะเกี่ยวเนื่องด้วยกันอยู่นั้นมันไม่ยอมพ้นออไปหรอกแม้เก็บปวดขนาดไหนเราเห็นได้เลย คนที่ไม่สบายมากๆถ้าไม่ได้มีสติปัญญาก็ยังรู้สึกมันเป็นของเราอ่ะมันหาทั้มันไม่พ้นสติเหล่าแม้กายมันทุกข์ขนาดไหนจิตมันก็ยังก่อเกี่ยวว่ามันเป็นอกายของเราทุกข์ทรามานแม้สุดท้ายอยากจะตายเพว่ามันทนไม่ไหวก็อยากจะตายมันทนทุกข์แต่ตรงนี้แต่จริงมันก็ยังมีความสําคัญว่าเป็นกายเราที่มันทุกข์ เนื่องจากในทางกายเราไปทรมานก็นนทุกข์บางคนคิดว่าเราไม่ทรมานโดยทำแบบนั้นออกมันสุดต่งนกะดข้าวกดน้ากดนอนนกดดมหายใจแต่ที่จริงบางทีพอเราปฏิบนะัตินะบางทีเราไปบังคับมากเกินไปก็ถือว่าเข้าข่ายการทรมานตนนะเราเคร่งเครียดในการกระยอนมากเกินไป เขาเข้าข่ายในการทรมานใจเรานเราประมาณว่าเราบังคับให้มันไม่คิดเราพยายามที่จะให้มันไม่ทุกข์ไม่โกรธเฉยๆเช้นเข้าข่ายในการทรมานใจวันนี้ก็ส่งผลกับการทรมานกายด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นสอนให้เห็นว่าทางที่ผิดมันคือตรงนี้ จะถูกได้อย่างไรนะอาจจะถูกก็คือรู้ว่ามันขีดเป็นแบบไหนมันจะถูกของมนเองนะมันเป็นความอัศจรรยนะ์นะมากมีองคแ์แต่งที่ถ้าจะว่าย่อยๆก็คือสติสมาธิปัญญาหรือถ้าว่าย่อยอีกแบบนึงก็กายว า, ายใจในจะที่เราทำเข้าบอกนะทำให้ถูก ชอบไม่ใช่ว่าชอบใจชอบก็คือว่ามันถูกทำมันถูกทางมันถูกทำมันคือทางทสายการทางที่ไม่สุดโต่งทางที่ไม่สุกโต่งถ้าจะว่าย่อในหลักการปฏิบัติจริงนะคือการที่เรามีสติเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูกายเป็นผู้ดูใจมันจะเกิดสติ ถ้าสติเป็นผู้ดูจะทําสิ่งสิ่ภายนอกสิ่งห้าสิ่งแปดสิ่งอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากจิตที่มันคิดจิตที่มันไม่พอใจเป็นจิตที่มันอยากได้มันก็เลยเกิดมันผิดที่ใจก่อนเมื่ใจมันผิดคิดผิดวางใจผิดมันก็เลยสั่งกายวายชาไปทามันก็ผิดที่ตรงนั้นแต่ถ้ามีสติรู้ทันฟังคิดด้วยนั่นจิตอัก ไม่ทำตามมันมันก็จะห่อเหี่ยวนะความคิดเนี่ยถ้าเราไม่สนองมันคล้ายๆเหมือนกับมันแบบเมล็ดพันธุ์ในในถุงในถุงข้อชัมตั้งไว้ในโลกเราไม่ลดน้ำเนี่ยมันตายมันไม่แบบมันไม่ได้ไม่ได้น้ำจากที่อื่นมันนอกนาเพราะเราลดให้กับมันลดลดให้ด้วยอะไร ก็ให้ด้วยอด้วยปัญหาด้วยความอยาคือเราทําไปบ่อ ย, ยมันงอกงามกิเลสมันงอกงามเพราะการกระทําของเรากิเลสมันเกิดขึ้นถ้าเราทําตามมานันอันนี้คือกรรมรกิเลสโรคปวดหลงอย่าที่ว่ามันเกิดขึ้นมาเราทํากรรม คราวนี้ทะเลเกิดวิปปะมันก็คือเกิดผลกลายเป็นเจดีย์ที่ใสเกิดผลกลายเป็นคิดในทํานองนั้นบ่อยๆอยากทําทํานองนั้นบ่อยๆอันนี้คือเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาเราทํากรรมคือการจะทําเกิดวิบปะก็คือผ ล, ผลของกา ร, รที่บอกว่าโทาสะเจดีย์เพราะโกรธบ่อยๆนั่นก็เรยเป็นโทสะเจดีย์ โมหะจะดีเขามีโมหะบ่อยๆห ล, ลงลูกหลงเหรียงหลงรถบ่อยๆก็ใจเลยยิ่งหลงไเลยเรื่อยเพราะทำบ่อยๆวิธีแก้ก็คืออะไรแก้ที่กรรมแก่ที่กรรมจะ ท, ทํากิเลสมันเกิดขึ้นไม่ท ำ, ำตามตามกิเลสมันก็ไม่เกิดวิบากมันเปลี่ยนนะเนียนะแต<ม>่ก่อนใจปวดง่ายเกิดบ่อย กีดขึ้นความโกรธเกดขึ้นมาแล้วไม่ทำตามความโกรธนะล้วกนะ็โกรดน้อยลงนะเพราะว่ามันไม่เป็นีิบากที่ส่งผลต่อจากตรง น, นั้นอันนี้ที่เราแก้ที่ไหนแก้ที่การกระทำนะเริ่มการกระทำตอนแรกเม่แก้ที่ใจลึกๆเอยยังไม่ได้แต่แก้ที่กายแล้วก็วาจา การมีสติวิสัยการสงรกายวาจาอให้อยู่ในสติในธรรมปอนดเพื่ออะไรเพื่อฝึกฝึกฝึก ใ, ใ, ใจอีกทีนหนึ่งนะใจมันดิ้นนะมันจะดิ้นขนาดไหนนะแต่มันดิ้นดิ้สุดต่งมากมันมีกกอบของสติมันจะดิ้นด้วยความโกรธความโลภความหลงมันก็ดิ้นแต่พอเราไม่ทํากามมันมันก็มันก็แค่ดิ่ในในใจ อันไปดิ่งออกไปทำตามความคิดทำตามอารมณ์ถ้าเราทําตามทุกความคิดทำตามทุกอารมณ์เนี่ยโอ้ยใ ว, ว, ว่าใจสุกนะเดือดร้อนเอีออวุ่นวายเนี่ยอันนี้คือพอเราที่ทําตามมันจะ อ, อยู่ในกอกใช่ไหแต่การการทรมานที่เกิดมันอยู่ในกอบของสีม่มันจะทําให้เราทุกข์นะ ใช่ไนชะ่เราปวดกนะ็มันห้ามทีม่นิสศ ด, ดาเขาเนี่ยมันมันรูกสักนะตอนนั้นความอยากไดนะ้อันนี้แบบสิ่งใดตาลอาจะไม่ผิดนะแต่โดยว่าวามอยากที่มันมถ้าผิดในทางธรรมก็มีเช่นบานทีความอยากได้ของเราเช่นเราเห็นกระ เ, เป๋าใหม่เราอยากไปซื้อนะสิ่ง เราไม่ผิดศีลเงินงเราบริสุทก็จริง น, นะแต่มันยังมีศีลบางอย่างเช่นเรนะไม่ว่าอะไรนิสัยปัญญสิ่งก็คือการที่รู้จักพิจารณาสิ่งที่บริโภคไม่เกินจำเป็นเช่นอาหารหนะออตอนมีเงินซื้อมาเต็มต๊ะไม่ผิดนะตอนมีเงินจ่ายไม่ผิดแต่เราไม่มรู้จนะักประมาณในการบริโภคมันผิดตรง น, นี้ ไม่ผิดสี่ทางโลกแต่ผิธรรมนะแต่จริงจริงแล้นนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ละเอียดขึ้นที่คนคนไม่ถนัดแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมพวกนี้นมาติดสิ่งอย่างนี้นะมีความสมดุลในปัจจัยที่เราใช้ปัจจัยสี่หรือปัจจัยอย่างอื่นมันก็จะใช้แบบอ่าเท่าที่ควรเป็นนะเท่าที่เกิดประโยชน์อันนี้ก็เป็นผิดอย่างหนึ้งงซึ่งอันนี้พูดมันโยงเรื่องว่าสมมต กินที่มันดิ้นด้วยความความโลรธด้วยความโกรธด้วยความหยาดนะด้วยความโลภนะใช่ไหมมันดิ้นแต่เราพอมีสิีให้มันอยู่มันจะอาจจะดูเหมือนทุกข์นะมันทุกข์เพราะว่าเราทําสนองตามมันจนกินเนี่ยมันสุกนมันให้ดามันพอเราสื่อความสุขความพอใจแต่มันชั้นๆนะสังเกตเมื่อเราได้ใจใหม่ๆันมันสุกนะ แต่มันก็ดื้อเหมือนก้าวเดียวก้าวเดียวมันก็ไม่ว่าจะได้อะไรที่แบบแต่ว่ามันสุดยอดนะเออทำทั้งปีทั้งแทบตายได้ตําแหน่งใหม่มาแล้วโอ้ได้รางวัลใหม่ได้รับตาแหน่งใหม่มีความสุขมากแต่สักครั้งหนึ่งก็ดื้อไปมีนักกีฬาบางคนนะพูดแบบคุ้มเททั้งชีวิตเพื่อให้ได้แค่นัดเดอร์รางวันที่หนึ่ง พขบอกเขาพ่อเขาชนะเลิศดีใจมากเลยแต่พอสักครั้งหนึ่งนะเขาก็จบเนู่อนความดีใจปรากฏว่านะพนนันลงที่ดูแลธนาบอกเชิญออกไปเนี่ยท่า น, า น, ไไนผมจะทำความสะอาดลงย่งประมาณนะประมาณว่าตอนแรกมีคนชื่นชมดีใจเยอแยะมากมเขาก็อยู่ในสถานะที่ดีใจที่ชนะเลิศ แต่พาลงก็ไม่สนใจหน้าที่ เ, าเขาก็จะกว า, เ า, า ง, งเขาจะสะอาดลงยิมก็จะปิดแล้ว<ม>เรื่องปิดใจได้วบคบประมาณเรียนอื ม, นะมความดีใจที่ตุงเทงพนันชีวิตเพราะว่าแต่เจกชนะเลิศมันก็หายไปเลยมันเราทําอะไรทางโลกนะได้อะไรมานะมันก็มีความสุขอยู่มันได้ราันเสร็จช่วงขณะหนึ่งมันก็จีร์ไปนะอันนี้คือ แต่ถ้ามันเป็นรางวัลทํางโลกที่ถูกทำมันก็ไมเป็นไรนะมันก็ไม่ผิดสิกธิธรรมเราก็มีได้แต่ให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นรางวันที่ยั่งยืนนะมันเป็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงแต่ถ้าถ้าเราอยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกบางอย่างนะที่มันทําด้วยแรงขับเคลื่อนด้วยปัญหาก็ควรละมือเสียไปทางตรงนั้น ในทางโลกบางทีเราต้องการทำอะไรให้สำ เ, เร็จบางีแล้วเราใส่ตันหาเป็นตัวขาดใช่ไหมอยากสวยใส่ตันหาเนี่ยอให้มันร่างกายมันขยันให้ร่างกายมันออทํางานนี่รู้จักพักผ่อนอยากสวยก็เอขับต้ก็ทำนั่นทันี่กดตานหาให้มันทองลงต้องทำนั่ น, ท ำ, ท, นทำ น, นทำที่ให้มันผิวขาวขึ้นอะไรต่างต้นนะ มันคือตาสหาที่สร้างเข้ามาให้มันก็อาจจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามเหตุอันรายจัยนั่นแหละแต่ตัวใหญ่ทางโลกมันอัศัยตัสนาขับเพื่อให้สาเร็จแต่จริงถ้าคนมีธรรมะน ะ, นะเราอาศัยฉันทะอาศัยความพอใจในการขับเคลื่อนเราทํา ง, งานเช่นบางคนเป็นครูนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เรมีฉันทะในการสอนลูกศิษย์ในเรามีฉันทะในการอยากจะให้เขาเป็นคนดีให้เขาเข้าใจสิ่งที่ดีเราดีฉันทะในการที่จะบอกสอนมันก็สัตเ์เดชได้ด้วยฉันทะไม่ใช่สัตย์เดชด้วยตัณหาท่าอยากจะเป็นครูที่เก่งครูที่ดียัดเข้าไปแต่เมื่อเด็กเขาอยากจะรู้หรือเปล่านนะเราดีฉันทะในการที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนที่มีความสุขก็ได้อแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยปัญหารเราจะมีภาพลูกที่เราอยากให้เป็นนะแล้วก็บางคับที่เขาเป็นแบบนั้นไม่ได้คิดว่าไม่ได้สะหนักว่าเขาอยากจะเป็นหรือเปล่ามันต่างกันนะอบมงทีมันสนองปัญหาตัวเองแหละเราไม่ได้แบบนี้เราอยากใ ห, ให้ลูกเราเป็นแบบนี้แทนเรามันมีปัญหาที่เราสร้างเนี่ยให้เขาเป็นะ บองทีเราต้องไม่รู้ก็เพราะว่าบางดีนั่นแหละอยากให้เขาสบายอยากให้เขามีความสุขอยากใ้เขาประสบความสำเร็จทางโลกแต่จริงมันก็คืออาจจะเกิ ด, บบดนะจากแรงขับจากปัญหาในใจของเราแต่ถ้าเรา ท, ทําด้วยอัญชักพอใจแล้วก็มีความปรารถนาดีกับเขาจริงๆโดยไม่บังคับเนี่ยนะมันก็อาจจะสําเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองอันนี้คือ แรงขัดทางโลกนะั้นบางทีก็เกิดจากสองด้านด้านหนึ่งก็ตันหาอีกด้านนึ่งก็ใช้ความพอใจแต่ถ้าเราทํำด้วยแรงขัดด้วยความพอใจที่เป็นฉันทัดนะมันก็จะเป็นการทํางานทางโลกไปด้วยแล้วก็จเจริญในธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะว่าอะไรเราที่เอาตัวเราเป็นที่ตั้งเสยนญาติพี่อะไรกับเข่าอันนี้คือ ท่านทานตันอามันแสดงตัวตัวะไรขึ้นมาเราเราดูมันอย่าทำตามมันนะอย่าเชื่อเถอะนะได้แปรกอาจจะรีบโดนติดอัดนะแต่มันเหมือนเรามันเหมือนมันเหมือนเราขังเข้าไว้นะขังมาไว้น่ะมันก็อาจจะว่าแน่นอนเอมันดี่มันร้องมันเออมันกัดนั่นกัดนี่ได้เลยแต่เราขังแหละ ขาดที่มันตายไม่อาหายนะอย่างนั้นปล่อยไปนั่นแหละแค่กดข้าวกนน้ำกดอะไรคนในการที่เราไม่ทําตามมันไม่สนองมันนะแหละอืมมันเหมือนตัดอาหารตัดที่ตัวหลอดเี้ยงที่เขาดำรงอยู่มันขึ้นมาไม่ทํำตามความคิดมันอยากขึ้นมาไม่ทำตามความอยากออันเนี้ค่อยๆกดไป วันนี้มันติ้นตนมากมายร้องเสียงดังววรบกวนมากนแต่พอทำเรื่อยๆมันจะค่อยๆ อ, อ่อนแรงลงก็ค่ อ, คอเบาลงหมดแรงเราจะตาย ไ, ได้อันนี้คือวิธีวิธีเรียกว่าอะไรตัดสร้ากถอนโคนตัณหานะด้วยวิธีนะี้แรกๆมันมันหนักหน่อยมันเอเราปฏิบัติอ่ะคนงทีเราเคยคินที่จะพูดเคยคินที่จะคิดเคยคินที่จะทําตามอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ พอมปฏิบัติเนี่ยเรามันเปลี่ยนความเป็นชินใหม่มาเป็นให้รู้สึกตัวเฉยๆนะบางทีมันเฉยเฉยมันจิดจรหืดนะบานทีจิตเดิมมันไม่ได้ชอบนะจิตมันชอบรสชาติสนุกสนานนะสุขสุขหรือนี้ก็ชอบแบบทุกๆนะมันก็ชอบแบบที่มันอารมเฉดจัดขึ้นกันนะแต่รู้สึกตัวมันเฉยเฉยจืดจืแต่มันสงบ เหมือนเราเคยทานอาหารแบบแนวหมอเคียวนะก็จืดๆนะไม่คุ้นปากเลยว่าเราเคยกิมแบบหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆมันๆนะพอเรากินจืดๆมันมันไม่คุ้นนะอาหารทางโลกนะบางทีก็มันก็ทรมานร่างกายทรมานใจเยอะนะอาหารทางใจเราต้องมือนกันรสชาตินะ มันตามก็อยากจะเห็นแต่ติ่มติ่มซยเนาะนะมันก็ติดใจกันนะหมูก็อยากได้มีเสียงเคาะเสียงไม่เคาะเสียงดังๆโง่หมูเข้าตาเราก็ไม่ทอบแต่อารมณ์ก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่ก็อยากจะได้มีแต่อารมณ์ดีๆมีความสุขน่ะคิดก็อยากให้มันคิดดีนะแต่มันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้เนี่ยหน้าที่เราเปแก้ ดูนะดูตัณหาดูกิเลสเขาสแสดงนะปล่อยมันนะการรู้เฉยๆนะไมนเหมือนแต่ที่จริงมันต้องไม่ใช่ว่าเราขังรนอะเพียงว่าเราไม่สนใจมนะันเพราะแท้ที่จริงแล้วตัณหามันได้อาหารเพราะความหลงของเรานะเช่นเราโกรธอาหารของความโกรธคืออะไรนะคือเราก็ เรากรใครสักคนมันก็มีปรุงแต่งวิธีการที่เห็นตาเขาในใจที่จะไปแก้แค้นเขาในใจนี่คือความโกรธมันก็จะเดินขึ้นหรือบางทีเราก็โกรธซอนโกรธโกรธตัเองด้วยนะที่ไปโกรธเขานะีมันก็เป็นอาหารของความโกรธนะแต่คนละตัวกันนะแต่ก็เป็นตะกูลเดียวกันนะ อันนี้ เ, เราให้อา่านเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหน้าที่เราะจะจะไม่ให้เพียงที่เดียวบางทีก็ยากเพราะเทสก์ของเราเองหน้าที่เราคือประมาณว่ารู้ตัวว่าหลงเมื่อไหร่กลับมารู้สึกตัวใหม่เริ่มไหลไปกับความคิดเริ่มยิงไปกับอามณ์แล้วนี่คือหลงแล้วรู้สึกตัวเมื่อไรถอนมา มันแบบแต่ก่อนตคให้อานารเขาจนกินเต็มที่นะแล้วตอนนี้ก็ให้มันกินนิดน้อยลงข้ไปนะเหมือนเรารู้สึกตัวอยูุ่งมอนกัดถ้าเราม่รู้สึกตัวมันก็กัดจนกินกินอยู่เพื่อเพื่อจนหมดรู้สึกตัวเหมือนมันมันกัดปุ๊บน่ะเจ็บปั๊บรู้สึกแล้วปัดมันออกไปแต่มันก็จะวนเวียนมันกัดแล้วเหยียดนะเอ่อผิวหนังของเราก็เป็นอาหารยุงอ่า กิเลสเองมันก็ไปกินนี่แหละมาเป็นอาหารของมันครับมันก็จะวนมาอยู่ท่าท่าที่เราก็เหมือนรู้ทันมันก็กลับมารู้สึกตัวใหม่การมารู้สึกตัวใหม่นะบนวนเวียนเียนนี่บ่อยๆนะมันเข้ามาโดนเราปฏิเสธมันเข้ามาโดนเราไม่ให้มันกินต่อนี่มันก็ค่อยๆอ่อนกำลังไปมันบินไปบ่อยมันก็เหนื่อยนะมันก็ไม่ไม่ได้อาหารเยอมันก็องหมดกำลังขึ้นไปอันนี้คือ เราเมื่อทำหมดเลยนะมันชัดเจนมากเลยนะแต่พอมเกิดอารมณ์จริงๆอ่นะมันดึงตัวตะเกีงมันดึงตัวนะดึงเพราะอะไรถ้านักปฏิบัติบางทีก็ดึงตัวด้วยความติดดีอืมอยากจะให้มันดีเนีอยากจะให้มันมีแต่อารมณ์ดีๆอยากให้มันคิดดีๆดี๋ยวติดถูกนะอยากให้มันถูกตลอดไม่อยากให้มันคิด กลัวความผิดอยากได้ความถูกกลัวความไม่ดีอยากได้ความดีอันนี้เป็นประเด็นหนักที่สําคัญของเวลาเราเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเรืยน่งที่เราแย่น่ะเราอยากจะได้แกฉ ท, ที่ดีๆอยากจะมีเจตีที่ถูกถูกนะถูกใจถูกธรรมแบบนี้นะอืแต่อะไรที่มันไม่ดีหรือผิดเนะี่ย เรากลัวเราปฏิเสธนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนทําให้เกิดความเครียดเกิดนะความกังวลใจนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นบังคับตัวเองเขี่ยขีดตนเ อ, เองมากเชินไฟนะมันก็เลยทุกข์นะทียิ่งปฏิบัติทำทนยิ่งทุกข์ให้เราเห็นเลยว่าใครทําก็เราทำตัวเองให้สิ้นทุกข์เนะนะพราะเราอยากนะอยากมากก็เลยทุกข์มากนะแม้อยาก ได้มากผลที่ผานั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะนะจริงทำนะเราทำที่เหตนะุทำที่เหตุในการรู้สึกตัวพนะูดใส่ที่นะบอกมันมีมากมันมีผลมันมีมนมทิพผานอยู่ในตัวทุกครั้งที่คลิกมือครั้งเดียวนะมันมีมากนะมากคือไหนนะสร้างสติ ข, ขึ้นมานะ ผลก็คือเกิดความรู้สึกตัวนะใจเป็นกลางใจเป็นกรเง็นเป็นปกติก็คือนิพพาน้วตอนนั้นในหนึ่งขณะนะนะมรรคผลนิพพานช่วขณะหนึ่งที่ปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดนะไม่ต้องไปคิดถึงอานาคตอะไรมากมายนะแต่เนะี่ยพูดไว้บางทีเราเผลออีกแล้วนะพอปฏิบัติทำเจ็ดวันนะ หลายวันมันจะเริ่มค่อย ๆ, ๆสะสมความเครียดแต่ก่อนนะก็เคยได้ยินหลงข้อท่านก็สอนไว้นะไม่ทําด้วยความอยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาะแล้วก็เข้าใจในภาษาแต่พอถึงขั้วเก็บอารมณ์ขึ้นมาก็เขาจะค่อยๆสะสมความอยากนะอยากจะแยกรูปแจกระนังอยากจะ เป็นพระโตดาวันตอนนั้นยังไม่กล้าถึงขังขง้นทานน่ะก็เอาไปใสเป็ น, นไปใส่สี่ล้า น, นั้นไปแล้วก็ใส่ ย, ยากนะอืมยิ่งวันไหนวันสําคัญวันศาสนานะวันวิสาขบูชาอะไรนี่ยิ่งยากนะโวจะาเป็นมนุษยธรรมวันนี้นะเราก็อยากจะมรุษยธรรมวันพุทธจ้าวั น, นวันเกิอดอะไรนะเหมือนวันเกิดพุทธเจ้านะ มันเกิดวันนี้แตะรู้วันนี้ตายวันนี้นะ่ะอืมเราก็อยากจะเอะเหมือนพระพุทธเจ้าว่ามันก็ทั้งที่กดปฏิบัติมันก็ไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะแต่พอปฏิบัติมันเกิดความจีมจังเครียดอยากได้ของมันเองนะแต่ถ้าเรามองมันเป็นเหมือนเป็นบทเรียนนะเป็นประสบการณ์เอ ม, มันก็จะเห็นเออเราก็อืมยัน อุตส่าห์หลงได้ขนาดนี้นะประมานี้ขนาดปฏิวัติยังอุตส่าห์ลงได้ขนาดนี้นะแต่พอเราเห็นแล้วความหลงเป็นแบบนี้นะเขามาจะเข้ามาล่องเดิมอ่ะมันจะเข้ามาล้องเดิมมันจะรู้แล้วจะเริ่มเข้าล่องความอยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาและอยากรู้แล้วพอมันเข้าล่องมันจะค่อยถอดออกมานะ วางความอยากไว้นั่งตามเหยื่อไปประมาณมันก็จะค่อยเกลื่อนแต่เองขึ้นมาแต่ก่อนนะเราปั่นกูบาลการสอนแต่ถ้าเรายังไม่เจอสภาวะแบบนั้นนะมันก็ยังไม่เข้าใจบองทีความทุกข์มันก็ดีนะมันทําให้เราเข็ดทุกข์แบบนั้มันทําให้เราเข็ดเหมือบความร้อนนะพอเราถูกความร้อนถ้า เนื้อตัวของเรากปกติมันทุกข้อน้องากายมันก็ยังกออกมาของมันเองใช่อหมถูกของแข็งแข็งนะกายมันยังออกของมันเองนะคือเราแบกของหนักใช่ไหมไม่ไหวจริงจนะ่ะกายมันทิ้งนะใช่ไหมแบกบของหนักยก้ลำหนัยกนยกไม่ไหวมันทิ้งนะแต่ใจเราเนี่ยแบกบของหนักทุกม า, มากๆเลยไม่ยอมทิ้งมัน <c ười> ทิ้งไม่เป็นนะเพราะอยากจีินะบางคน ยิงทุกยิงเศร้าไม่อยากออกใครมาช่วยใครมาพูดเลยไม่อยากออกนะแต่กายกระดายนะใจนะมันทุกข์มากๆมันทิ้งนะมันเจ็บมากๆมันร้อนมากๆมันไม่เอามันปล่อยนะแต่ใจเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยก็อะไรนะเพราะไม่มีสติเพราะไม่รู้ตัวคนจะบอกก็ปฏิเทธแต่จริงมันปล่อยง่ายมากแต่อาจะไม่ปล่อยถาวอนะ กลับมามีจิตอะไรก็ได้นะกายที่เคลื่อนไหวก็ได้นะรู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้รู้ธรรมก็ได้มันออกมามันปล่อยไปเท่านึงกลับไปยิบ ม, มาเองนะในเป็นมใจก็กลับออกมารู้สุดตัวใหม่เนี่ยทำาบันี้ไปบ่อยนะเราก็ฝึกับเนี้ยในชีวิตทุกทนาอะไะในการทําการทํางานก็ดีนะหรือเราปฏิบัติในรูปแบบที่นี่ก็ดีนะนะ แต่ก็ระวางแค่ตัวเนี้ยบางทีทพอเราทำต่อเนื่องบาีตัวสัรหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาอยากรู้มันจะเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะก็นะดูมันนะก็ค่ อ, อ, อยๆละมละันละนะโดยการที่ไม่ทำตามมันนะั่นแหละเราก็แค่ทำเหตุอย่าไปคิดอยากได้อะไรทำเหตุในหะ้มันดี พอใจในการทำผตดอย่างที่ว่างานทั้งโลกถ้าเราทําด้วยฉันทนะเราทําด้วยความสุขความพอใจในงานที่เราทําผลก็จะเส็นเด็จของมันนะแ้วมันจะทำํนะะทำแบบ น, นี้มันจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราทําด้วยตัณหานจนเหนื่อยเหมือนถ้าเราเดินขึ้นเขานะอยากจะถึงเร็วๆนะอยากจะให้มันได้หยุดเดินได้ทีเราก็เดินเร็วตายก็เหนืน่อยใจก็ทุก แต่เดินไปเรื่อยๆนะกายอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เหนื่อยมากก็เพระการเดินเร็วๆค่อยๆเดินไปนะมันก็กายก็เหนื่อยบ้างแต่ใจไม่ทุกข์ภาวนาต้องไหนกัน่ะต้องยอมรับมันกายมันทุกข์แน่หละเหมือนเมื่อตอนเย็นรีบางคนบอกว่าไม่เคยเดินมากขนาดนี้สักทีมันก็อาจจะเหนื่อยมากเพราะเราเดินมากหรือว่ายกมือมาก ก็เป็นเหมืนะบางทีมันก็บางขนาดเดินบางวันเดินติดปวดชั่วโมงน่ะอปวดขาะนะอืมดียกมือก็เหมือนกันนะยกมือบางทียกต่อเนื่องหลายชั่วโมงพอจันจะน้อยก็ปวดไหล่ปวดแขนะมันก็เหนไ่อนะหรือก็เตี้ยบางทีฉันข้าวน่ะก็ฉันเต็มที่นั่นนะแต่พอปฏิบัติเต็มที่นี่ก็หิวเหมือนกมันเหมือนใช้พลังงานเยอะนะอืม ใช้พลังงานเยอะมันก็มันก็ลำบากกายนะมันก็ลำบากลำบากกายเยอะแต่มันก็ต้องเหมือนคล้ายๆมันก็ต้องแลกกันมาแต่นอนสบายไี่ใช่แล้วมันจะรู้ทำมันจะเข้าใจธรรมะมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมันก็ต้องแลกด้วยการทําความเทียนนะอร้างสตินะคลิกมือนะปวดเมื่อยนะก็ทํำไปปวดถึงที่เปิด ยังไงก็ค่อยเปลี่ยนทเลยนะเดินเครืองมันจะเดินแบบธรรมดาก็ต้องปวดเมื่อยปวดเมื่อยพอสงควรแลก็เปลี่ยนเราก็ต้องให้ยอมราบเนาะกายก็เหมือนกับรถยนต์เหมือนกับเครื่องจักรเครื่องพนนั่นแหละะใช้งานเยอะๆมันก็มีความร้อนมีความเสื่อมมีมีความร้าดร่างกายก็เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเราใช้ในทางที่ให so umm ้เกิดสติปัญญาเนี่ย มันเป็นการใช้กายที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะอืมแต่ก่อนนะั้นคนก็ไปหรือเราเองก็เราก็ใช้กายไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมอืมใช้กายเพื่อทําทนั่นทํานี่หลายอย่างนะอ่เราใช้กายแต่บางทีเราใช้มันก็เกิดประโยชน์แค่ บ, บางอย่างนะแต่เรามีกายเราใช้กายเป็นทางจะเกิดประโยชน์ทางธรรมเนี่ยมันคุ้มค่ามาก หมายยว่าบางคนดูแลร่างกายกินอาหารสุขภาพออกกาลังกายอย่างดีอยากออกกาลังกยทำอะไรได้มีแรงไปเที่ยวรอบโลกอะไรืีมีประโยชน์ไหมมีอยู่แต่มันเจาแค่นั้นนะเราอยากจะ ป, ปีนเขาเอเวอเรส์ปีนเขาสูงสูงนี่นนร่างกายแข็งแรงไปถึงแล้วภูมิใจไหมภูมิใจ แต่คนทุกไหมก็อ <c oughs> าจจะไม่คนทุกใช่ี่ยแต่คนก็ทำเต็มที่ก็ให้ร่างกา ย, ยแต่ร่างกายเราอยู่่แข็งแรงขนาด น, นั้นก็ได้มาแต่เอากระมาอมแข็งแรงพอพอสุดอพอสุดกรรลฐานในรูปแบบ ร, รูปแบบแต่รูปหนึ่งได้ก็โอเคคนอะืมเรายังนั่งได้ยังเดินได้ก็นั่งบ้างเดินบ้างประการพอถึงวันหนึ่งเดินไม่ได้ นนอนทม <c oughs> นอนทำก็เอาอย่างอาจารย์บางคนนะนั่งนั่งได้ไนานเลยเดินไม่ได้เลยส้นนอนเอานอนทำก็ได้เดินมาดีต่อคนป่วยบางคนขยับไม่ได้นะัแต่สมาว่าเขาได้กินเยอะจะบอกใี่รู้สึกตัวขี้มือก็ได้ครับโยมพุโทโธแล้วกันนะออพุโทโธใจรู้ะพุโทโธรู้ใจ เพรงคนหายใจเองยังไม่ได้จ่อคอใส่ทอช่อแหายใ จ, จเลยครับยัเหลือไม่เด็ดสุดท้ายกนะ็พุดโธนะพุทโธนะอืให้ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังมีเสี๋ยงที่ได้กินเพื่อให้กิตมันเริ่มรู้ธรรมะแต่ละธาตุถ้าเขาพอใจพุโทโธนะก็ให้ใจรู้นะ ถ้าเกิดอารมณขึ้นมาก็ให้รู้ใจนี่ก็ก็ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันแต่ถ้ามีอย่างอื่นมากกว่านั้นก็ทําดีก่อนมันชัดขึ้นนี่คือธรรมะทาได้นะทุกขณะถ้าเรายังไม่ตายนะถ้าตายเราจะทํายากครับนอจริงๆนะอันนี้มีกาเนะให้เปนะ็นเครื่องแล้วรูนะจิตมันจะไปรู้อะไรเราจะคิดว่าจิตมันแยกออกมาดู ดูกายแล้วมันจะเข้าใจแ่ะที่จริงถ้ามันไม่มีสติก่อนตั้งแต่ก่อนจะตายมันก็ไม่คิดว่ะทําไมกายเราเป็นตายแล้วเหรอทำไมำไมันสั่งไม่ได้ทำไมไมนอนนิ่งๆเนะี่ย ม, มันยังคิดก็เด็นของเราอยู่นะันยังโงแทนนั่นนี่อยู่นะมันก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนก่อนตายนี่แหละนะทำนะเท่าที่มันทําเอะให้มันดีนะอนะทำเอะ ให้ถึงที่สุดนะ ท, นทําเต็มที่แต่พยายามเป็นทางองให้ ท, ทําเต็มที่แต่อย่าตีเรียดเราทำเหตุให้มันเต็มที่ตัง้ตงแต่ตื่นจนหลับนพะยายามรู้สึกตัวแต่อย่าเครียดอย่าตีเรียดอย่าอยากได้กานะนะรทำก็ฝากไว้